Book 2ูหกสิบอ็ดลำดับเลขปารัสคาเวียลิเชบニ гим เดือนแรกคือเดือนมกราคม เดือนที่สองคือเดือนกุมภาพันธ์ у ุยิเมสต์ลูตเดือนที่สามคือเดือนมีนาคมทริจิเมสต์ ส, สกาวิกเดือนที่สี่คือเดือนเมษายนชัดจิวอติเมสต์ครัสสวิกเดือนที่ห้าคือเดือนพฤษภาคม Ц, เดือนที่หกคือเดือนมิถุนายนชติหกเดือนคือครึ่งปีมลมักราคมกุมภาพันธ์มีนาคมตนลตวิ เมษายนพฤษภาคมและมิถุนายนครัสาวิกไมอีเชร์วิงเดือนที่เจ็ดคือเดือนกรกฎาคม շումի մեյսետ լիպին เดือนที่แปดคือเดือนสิงหาคม ось վուսի մեյսետ ժնիվին เดือนที่เก้าคือเดือนกันยายน ц, เดือนที่สิบคือเดือนตุลาคม ц, เดือนที่สิบเอดคือเดือนพฤศจิกายน ц, เดือนที่สิบสองคือเดือนธันวาคม สิบสองเดือนคือหนึ่งปีัมเดือนสิบสองเดือนคือหนึ่งปีดวมเซตสิงคหดาคมนสิงนคือหนานมีเซนิบงนีวาน์เตซเนสนคาัมพฤศจนิกายนและหวาันควาคม Костричник, листопад и снежень.